แม่ชีมาจากไหนกันเป็นไงสติเกิ ด, ดยังแม่ชีแล้วเข้ามาเป็นไงยังไม่ค่อยเกิดค่ะยังบังคับตัวเองไหมมีบ้างค่ะรู้ทันนะรู้ทันแล้วทั น, นบ้า ง, าง<บ>ไม่ทันบ้างค่ะยัไปฝึกบังคับตัวเองเราไม่ได้ฝึกเก็บกดเราฝึกรู้ทันตัวเองรู้กายรู้ใจแนี่ย เ, เห็นในร่างกาย มันไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยที่ภาวนาก็าะจะให้เห็นตรงนี้นะแต่ถ้าเราเอาแต่บังคับบังคับมันจะรู้สึกว่าเราบังคับได้จะรู้สึกว่าเป็นตัวเรานะเราบังคับได้อย่างบางคนภาวนานั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยอนะไรเงี้ยเพ่งไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งคืนอนะไรเงี้ยมันลึกๆมันภูมิใจนะมันจะภูมิใจว่ากูเก่งกูเกนะ่งขึ้นมา หรือจิตใจเราพอโกรธขึ้นมาเราก็กําหนดโรภขึ้นมาเรากําหนดกําหนดแล้วมันหายมันจะรู้สึกว่ากูเก่งขึ้มันได้เพระฉะนั้นสมถะกรรมฐานเป็นเครื่องแก้อารมณ์มาทําแล้วมันจะปลุกฝังอัตตาอย่างพวกฤษีชีไพรนะ์แล้วเขาทำมาก่อนพวกเรานะเพ่งไปเรื่อยๆไม่ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนนะอยู่ได้ ไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นเดือนแต่เขามีความเห็นผิดเพราะจิตเป็นอัตตาก็เขารู้สึกว่าบังคับได้ในขณะที่าศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องการให้ดูลงมาในกายในใจเนี้เห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็วันหนึ่งไม่ยึดถือมันเพรเราไปสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะมังก็ได้เกิดความดิ้นรนอยากให้กายอยากให้ใจมีแต่ความสุข อยากให้กายอยากให้ใจพ้นทุกข์พเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมาแรือมีตัณหาขึ้นมาจิตใจดิ้นรนจิตใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกตัณหาทำให้เกิดความทุกข์ตัณหามาจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงสำคัญมั่นหมายว่ากายกับใจเป็นเราเรื่องนั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่อละความเห็นผิดก็สู้กับความเห็นผิด เราภาวนาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะแต่ยเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองให้เกิดความเห็นถูกความเห็นถูกว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพอเห็นถูกอย่างนี้แล้วก็จะค่อยคลายความทุกข์ออกไปได้ไดๆความดิ้นรนทางใจมันจะลดลงลดลงในที่ส่วนจะเหลือแต่ความทุกข์ทางกายแต่ทางใจไม่ทุกข์แล้วเพราะใจมันไม่ดิน้นไม่ฉี่ดูออกไหมเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นรน ทันทีที่อยากนะใจก็จะดิ้นทันทีที่ดิ้นใจก็จะทุกข์สิ่งที่อยากก็ไม่มีอะไรมากกว่าอยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ทำไมต้องอยากเพราะว่าเห็นว่า ก, กายกับใจคือตัวเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์เราทำมิปัสสนานะมันซักพอบตัวเองเข้ามาไรื่อยๆจนวันนึงมันแจ่มแจ้ง รากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเหรอกเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเหมือนเห็นคนอื่นแล้วอย่างเราเห็นคนอื่นมีความทุกข์เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่รู้สึกไหมเห็นคนอื่นไม่สบายเจ็บป่วยเนะี่ยจิตใจเราไม่ได้ทุกข์ด้วยเฉยๆพอเราดูจนเห็นในตัวนี้เหมือนคนอื่นไปละไม่ยึดไม่ถือมันนะมันมันจะแปลปรวนยังไงมันไม่ทุกข์ งั้นภาวนาเ้าภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อไปดัดแปลงให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบฝึกไปเรื่อยเห็นจิตมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนนีมันไม่เที่ยจิตนี้ถูกความทุกข์เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังทุกข์ขังมันคือมีความเสียดแทงทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นเลยจิตนี้มันบังคับไม่ได้หรอก มันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองนี่คืออนัตตาแม่ชีดูออกหยังว่าจิตมันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็ดูเองใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดเองเดี๋ยวมันก็ปรุงความสุขปรุงความทุกข์ของมันเดี๋ยวมันก็ปรุงความโลภความโกรธความหลงของมันมันทํางานเองที่เราคอยรู้ไปได้่อยนะเพาเรามีสติแล้วก็จะเห็นว่าจิตใจที่มันทํางานอยู่เนี้มันทํางานตรงมันได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอก แต่พอเราขาดสติเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาอีกนี่คนในโลกมันไม่มีสติมีแต่คนขาดสติก็ไม่สามารถละความเห็นผิดว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราได้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่เมื่อมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะวันหนึ่งถึงจะละได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยมันไม่ใช่ตัวเรา ให้ชีดูออกเลยใช่ไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูได้ยังเวทนาสุขทุกข์ไม่ใช่เราดูออกไหมเป็นของแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวกุศลอะกุศ ล, ศลไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมอย่างใจจะโลภใจจะโกรธใจจะหลงมันเป็นของมันเองมันเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เนียเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไปแทรกแซงขึ้นโกรธขึ้นมาเราโกรธนอเราหายโกรธ โรคขึ้นมาโรคหนอแล้วหายโรคฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านหน่อหายฟุ้งซ่านนั่นจะฝังความรู้สึกว่าเราบังคับได้เงั้นอย่าไปกําหนดอย่าไปเพ่งให้รู้อย่างที่เป็นในสติปัฏฐานจริงๆไม่มีคําว่ากําหนดนะกําหนดเป็นภาษ า, ษ า, ษาเขมรมันจะคำว่ากดกดสังเกตไหมเวลาเราไปดูเราชอบไปกดไปข่มมันมันจะนิ่ง ในสติปัฏฐานมีคำกริยาอยู่หลักอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้เนี่ยให้รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้มีความสุขก็รู้มีความสุขก็รู้เฉยๆก็รู้เวทนาหรืออีรียาบทสี่ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีแต่คำว่ารู้ เจริญสัมปชัญญะแบบพานะเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้ถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้เจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีนิวรณ์ก็รู้ไม่มีนิวรณ์ก็รู้นิวรณ์เกิดมาได้ยังไงก็รู้นิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรก็รู้เนี่ยสังเกตนะคํากิริยามีอยู่คําเดียวคือคำว่ารู้ รู้ไม่ใช่อะไรรู้ไม่ชิชดจิตชิดไม่ใช่รู้ใช่รู้ไม่ใช่เพ่งเพ่งก็ไม่ใช่รู้คำวารู้นี่เป็นมีคำประหมายของงานที่ซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยเราจะรู้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะของแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาวะของความโามลภความโกรธความหลง สภาวะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิเศษลักษณะวิเศษวิเศษพิเศษคือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวขององค์ธรรมแต่ละอย่างความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตัวทําให้เรารู้จักว่านี่คือความโกรธความโลภมีลักษณะเฉพาะตัวทําให้เรารู้ว่าโลภเนี่ยเรามีสติรู้ลักษณะเี้รู้ว่าอะไรกําลังปรากฏขึ้นมา ถึงไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่เราเห็นลักษณะเห็นสภาวะอะไรบางอย่างที่แปลกแปลกขึ้นมาแปลกปลอมจากปกติขึ้นมอันนี้เป็นหน้าที่ของสติไปรู้เขา้าส่วนปัญญาเนี่ยจะเข้าใจสามัญลักษณะสติเข้าเข้าใจรู้จักวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษเฉพาะปัญญาเข้าใจสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลัก ลำพังถ้าเราไม่เห็นลักษณะเฉพาะของสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดดับงั้นะ อ, ยอย่างถ้าเราใจรอยอยู่อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราไม่รู้เลยนะเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นลักษณะเฉพาะรู้จักรษณะเฉพาะเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นในในความโกรธลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเลยจะเรียกชื่อว่าโกรธหรือไม่เรียกก็ไม่สาคัญนะ เดี๋ยลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นลักษณะเฉพาะเองเกิดขึ้นพอเราเห็นตัวมันอย่างเนี้ยมันจะแสดงสามัญญาลักษณะให้ดูที่มันจะเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้เนี่ยเรามีสตินะรู้ลักษณะเฉพาะมีปัญญารู้ลักษณะร่วมสามัญญาลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยการรู้สองชั้นเนี่ยช่วยกันทํางานวันหนึ่งปัญญาก็แจ่มแจ้งนะตั้งกายตั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นตูกล้วนแต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นั้นมันไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการกําหนดเลยมีเรื่องแต่การรู้รู้ลงไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งนั้นรู้ลักษณะร่วมของสิ่งนั้นกับทุกๆสิ่งลําพังรู้ลักษณะเฉพาะตัวเนี้จะเห็นแค่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแต่พอปัญญามันแจ้งมันจะเห็นมันจะรวบยอดออกมาเลยว่ามันมีไตรลักษณ์ บางคนเห็นว่าโอ้นี่ทุกอย่างนี่ไม่เที่ยงนะที่เห็นไม่เที่ยงได้เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงได้เพราะเห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนี่เกิดแล้วดับไปเรื่อยๆก็เลยได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงหรือบางคนเห็นลักษณะเฉพาะนี่เกิดดับเกิดดับไปแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าทุกอย่างคนอยู่ไม่ได้บางคนก็เห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดดับไป แล้วเกิดปัญญารวบยอดมนาะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยนะเพียงเห็นไจรักษณในมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไดนะ้มันจะไม่ยึดถือในสิ่งที่มันแก่มแจ้งแนะมันจะไม่ยึดกายก่อนไม่ยึดกายจะส่งภูมิของพระอนาคามีต่อไปมันจะไม่ยึดถือจิตจะทรงภูมิพระอรหันต์ มันเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางการปฏิบัตินะนี่พอไม่ยึดจิตแล้วเนี่ยจิตจะเข้าถึงธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับนั่นคือนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตอย่าเข้าใจว่านิพพานกับจิตเป็นอันเดียวกันนิพพานไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์นะแต่จิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นคนไปเห็นนิพพานเข้าโคราชกันจิตมีธรรมชาติที่เกิดดับนิพพานไม่ได้เกิดได้ดับ ต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเที่ยงอันไหนไม่เที่ยงแต่ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานะนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหมดเป็นอนัตตาถึงนิพพานจะเที่ยงถึงนิพพานจะมีความสุขแต่นิพพานก็ไม่มีเจ้าของถาใจที่มันไม่ได้ยึดถืออะไรแล้วถึงจะไปเห็นนิพพานได้ถ้า ใ, ใจมันไม่ยึดถืออะไรนี่เพราะว่ามันรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าทุกสิ่งเลยทั้งรูปปรัตมนามนปามัตนนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา มันเห็นความจริงของทุกสิ่งได้เพราะมันเห็นทีละสิ่งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับมันเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับได้เนี่ยเพราะสติไปรึกรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งได้งานงานของเราจริงๆก็คือหัดรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไปรู้จักโลภแลใช่ไหมรู้จักโกรธรู้จกักใจลอยยัง ดู้จากจิต ท, ที่แอบไปคิดได้ยังรู้จักกำหนดนี่ยองอกำหนดก็ไม่เอานะพวกเราคิดตรงนี้แหละคิดตรงที่ชอบกำหนดนะกำหนดมันเจอด้วยโลภะไม่ใช่สตินะมันเป็นโลภะเจตนาถ้าเราเรียนอภิธรรมนิดหนึ่งเราจะเข้าใจองธรรมของมันได้ชัดพูดออกมาได้ชัดจะรู้เลยว่าที่ทาอยู่มันไม่ใช่หรอก แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนด้วยอันนี้เราพูดกันซื่อๆนะพูดแบบเอาใจกันก็ต้องโอโหกันโอ้คล้ายๆกันนะต่างกันนิดหน่อยอะไรพูดกันซื่อๆเอาความจริงเอาพูดกันด้วยใจซื่อต่อกันเลยกรรมฐานทั้งหลายแหล่ที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาจารย์สอนบ้างครับ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าให้ดูท้องผองยุบไม่ได้สอนนะเดินจงกลมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ยกเท้ายั่ยงเทา้าท่านมีแต่สอนบอกว่ายืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้เดินท่าไหนท่านสอนไหมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้เดินท่าไหนเดินท่าไหนก็รู้สึกในท่านนะั้นแหละแล้วก็เห็นว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราท่านสอนอย่างนี้ตงห หรือพวกเราหายใจพวกเราก็ชั้นเชิงมากเวลากําหนดลมหายใจรู้สึกไม่มีฐานต้องกระทบปลายจา ง, งอยปากกระทบปลายจมูกลมกระทบกระดานลมกระทบคอลมกระทบอกลมกระทบท้องอะไ ร, ไรแหมมีฐานเยอะแยะเลยในขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านบอกหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวเพราะรู้สอนอย่างนี้คําว่ารู้ก็คือรู้ว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราต่างหากไม่ใช่ไปกําหนดเป็นจุดๆไปเรื่อย เป็นจุดเล็กๆ เ, เ, เ, เหมือนเอาเ ช, อเอออเชือกมัดเป็นปล้องๆเชือกมัดเป็นปล้องๆเพื่อการจิตหนีคือสมถะนะเมือ่อไเรายกท้าไปเรามีจังหวะมากมายเลยเหมือนเอาเชือกไปมัดจิตไว้เลยไม่ให้จิตหนีสิ่งที่ได้คือสมถะมันถ้าเรียนสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วจะง่ายไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเลย คอยรู้สึกอย่าใจลอยไปคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกคอรู้สึกแล้วก็มีปัญญาเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่เราเลยตัวเนี้รูปมันเคลื่อนไหวมันจะไม่รู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวนะไม่ฉี่เป็นเนี่งร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหยเห็นรูปมันไหวเท่านั้นแต่มันไม่พูดนะว่ารูปไหวแต่มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา การที่เรารู้สึกว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรารู้สึกเนืองเนืองรู้สึกบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะลบล้างความเห็นผิดที่เราสะสมมานานแสนนานได้มันจะล้างออกไปเกิดความเห็นถูกว่ากายกับใจไม่ใช่เราคนที่เห็นถูกอย่างนี้ได้พระโสดาบันต่อมาก็แจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้พระนาคาแจ่มแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆได้พระระหัน เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นในมุมของอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันรวมท้ายท้ายที่สุดก็คือการเห็นทุกขสัตตนั่นแหละเห็นขันธ์อ้าเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกขสัตว์จะเห็นทุกขสัตว์แจ่มแจ้งสมูทัยสัตว์จะดับเองตัญหาจะดับเอง คือมันแจ่มแจ้งแล้วนะกายกับใจนี่เป็นตัวทุกร่วนๆไม่ใช่ตัวเราด้วยความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากจะให้กายให้ใจทนทุกข์ก็จะดับไปโดยอัตโนมัติตันหาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่ตันหาไม่เกิดจิตเข้าถึงความสงบสันติไม่ดิ้นรนจิตก็เห็นนิพพาน เพราะการรู้ทุกข์จนกระทั้งล้าสมูทัยเห็นนิพพานได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญมรรคนี่คืออริยสัจสีพวกเรามากืกอจะเข้าใจว่าเพราะมีความอยากก็เลยมีความทุกข์อันนี้ถูกเหมือนกันนะแต่ถูกตื้นต้นแต่ถ้าถูกแกมแจ้งเห็นแจ้งอริยสัจเนี่จะแจ้งทุกขสัจก่อนพอแจ้งทุกขสัจปุ๊บจะแจ้งสมูทัยทันทีเลยจะแจ้งนิโรธทันทีเลยต่อนเนื่องกันเลยทั้งหมดนี้คืออริยมรรคในขนาดเดียวกันนั่นแหละ จะ แ, แจ้งขึ้นมาเลยจิตมันวางทันทีที่มันวางรูปนามทิ้งปับ๊บนิพพานปรากฏตรงนั้นเลยในขนาดจิตนั่นแหละที่เรียกว่ามรรคจิตันการภาวนาจริงๆไม่ยากมันยากที่เราขึ้นต้นทางไม่ถูกต้องเรียนคำสอยของเราพุทธเจ้าให้ดีๆนะแล้วง่ายเชื่อหลวงพ่อถึงง่ายจริงๆ คนที่เรียนจากพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกตุสิทธิเขาจะอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะไม่มีใครอุทานเลยนะยากจังเลยพระเจ้าค่ะเดินอย่างนี้จะต้องหากี่วันถึงจะเดินอย่างนี้ได้อ่ไม่มีนะไม่มีเลยแต่ละคนก็เดินไปในท่าของตัวเองแล้วแหละแล้วก็เห็นรูปที่เดินมันไม่ใช่เราเห็นจิตที่ไปรู้รูปก็ไม่ใช่เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เรา เห็นอะไรแต่ก็ไม่มีตัวเรานี่ฝึก อ, อย่างนี้นะเราจะเข้าถึงธรรมในเวลาอันสั้นไม่ได้ยากอะไรหรอกนี่แม่ชีมาไกลต้องพูดเยอะหน่อย <c oughs> ธรรมะของหลวงพ่อมันจะเปลี่ยนไปตามคนฟังนะคนฟังเข้าใจธรรมะระดับนี้ธรรมะก็เปลี่ยนไปบางวันเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไร แต่ก่อนที่มาเรียนกับหลวงพ่อรว้มีแต่นั่ปฏิบัติล้วนๆเลยธรรมะมันจะเข้มข้นตอนนี้มันขยายวงกว้างออกไปกว้างออกไปบางวันธรรมะนี่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อยังจุดชืดเลยวันไหนเทศจุดชืดนะเราก็พักผ่อนภายในเราสั่งให้ร่างกายมันเทศไปให้มันพูดของมันไปงั่นแหละบางทีมันเลิ่พูดติดๆกันนะโปรแกรมมันให้มันพูดไปเอง อาจารย์มหาบัวอาจามหาบัวไปฟังวิทยุท่านท่านมีคนมาถามเรื่องสมถะนะท่นบอกว่ า, มา oh, ไม่เอาขี้เกียจพูดไปหานเอาเองไปฟังเอาเองพูดมาเยอะแล้วทำไมไม่พูดเรื่องปัญญาบ้าเนะืรู้สึกจืดชืดจืดชืดเวลาหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านเรียนคึกคัก เ, เรียนธรรมะล้วนลวนค ร, รูบาอาจารย์คึกคักสดชื่น เรียกว่ามีธรรมปีติิปีติในธรรมะเงอนพวกเราป่อนาให้ดีๆนะหลวงพ่อจะได้มีธรรมปีติถ้ามีแต่โอ้มาเล่าแต่เรื่องนั่งไปแล้วเห็นหนโน่นเห็นหนี่นี่นะหลวงพ่อก็ขี้เกีดฟังเสียเว ล, เวลาแม่ชีใจลอยละรู้สึกไหมมันหลงไป ไม่ชีข่มใจแล้วรู้สึกไหมไม่ข่มตอนเนี้กดไปนิดหนึ่งล้วดูออกไหมอออกก็บอกออกนะไม่ออกบอกไม่ออกไม่เป็นไรออกแล้วเห็นอย่างนั้นใช้ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรหรอกไม่ต้องดีก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องดีเห็นกิเลสบอกว่าเห็นกิเลสเนี่ยใช้ได้แต่บางคนเจ้าเล่ห์นะกลัวหลวงพ่อจะว่าก็รีบว่าตัวเองก่อน หนี้กี่เลรยญเยอะย่างนู้นอ่งนี้เราดูมันตอนแหล่นี่ว่ะในใจมันคิดว่ามันดีนะซื่อๆนะเรียนธรรมะเรียนกันด้วยความซื่อๆนะเรียนกันมันคือวิถีของตะวันออกเราไม่ได้เรียนกันแบบตะวันตกตะวันตกเนี่ยอาจารย์จะลูกศิษย์ในจ้างลูกจ้างกันวิถีของตะวันออกน่ารักนะนุ่มนวลมีแต่ความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอาจารย์ก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับลูกศิษย์ก็เป็นผู้ให้และผู้รับให้ในสิ่งที่ตนมีรับในสิ่งที่ตัวเองขาดเพื mm ่อ hmm. จะเรียนกันด้วยจิตด้วยใจเหมือนพ่อเหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องเรียนธรรมะกันหรืเหมือนเพื่อนอย่างพวกพระจะเรียกกันเป็นเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนกัน หรือเราภาวนาเราเป็นเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราได้โสดาเพราะเราฟังธรรมะของท่านผู้ใดใจเราจะรู้สึกในท่านผู้นั้นเป็นพ่อเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะเพาถ้าเราเฟังธรรมของท่านผู้ใดได้สกิทาคาได้อนาคาได้พาระรหันเราจะรู้สึกว่าท่านผู้นั้นเป็นพี่เราเป็นพีู่้สิกฐานหน้าต่ำกว่าได้โสดานะ เป็นอย่างพระสารีบุตรหนึ่งตอนเป็นอุปติสสะปริภาชกฟังธรรมของพระอัศชิได้พระโสดาบันเสร็จแล้วมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในสิบห้าวันถัดมามาบวชละสิบห้าวันฟังเรื่องเวทนาเป็นพระรหรันเวลาพระสารีบุตรนอนใช่ไหมก็ น, นอนหันศีรษะไปทางพระอัศชิเนี่ยใจจะรู้สึกขั้นเป็นพ่อ แทนที่จะหันไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมแทนทีจะหาพระอัศจรรบรรดาปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้ไมนเป็นความรู้สึกที่ซื่อๆความรู้สึกที่ซื่อๆเลยถ้าพวกเรารุ่นหลังเรามาอ่านตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมรู้สึกไหมแต่ถ้าเราภาวนาเราเข้าใจธรรมะนะัเราจะรู้เลยว่าตรงนี้สําคัญไม่เป็นความรู้สึกที่ซื่อตรงของท่านเนีอย ฟังธรรมของท่านผู้ใดได้โสดาบันนะท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่เลือดเนื้อจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราระรึกถึงท่านนะเหมือนท่านอยู่ในตัวเรานี่เองท่านอยู่ในตัวเราเรียนธรร ม, มกกะกับหลวงพ่อไม่ต้องซีเรียส น, นะคนจนคนรวยเสมอกันหมดแหละคนฐานะดี มีชื่อเสียงคนไม่มีชื่อเสียงทุกคนเสมอกันมาเรียนด้วยหัวใจเสมอกันเ่าเทียว ม, มาด้วยหัวใจซื่อๆกนแล้วกันมาเอาธรรมะมาฟังธรรมะตั้งใจหลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วสังเกตสิทำไมหลวงพ่อบอกว่าเผลอเราไปทำจิตใจของเราเป็นยังไงหลวงพ่อถึงบอกว่าเผลอ หลวงพ่อบอกว่าถูกต้องแล้วสังเกตซิทำไมหลวงพ่อว่าเมื่อกี่ถูกจิตใจเราเป็นยังไงเราทำอะไรอยู่ทำไมหลวงพ่อว่าถูกนะซื่ อ, อ, อเรียนกันไปอย่างเนี้ยวิธีสอนอย่างหลวงพ่อไม่มีใครสอนหรอกนะไ ม, ม่ใครสอนเรากมันปรุงตัวเองก็ไม่ค่อยอยากสอนกันเป็นเหนื่อ ย, อยงั้นเรียนค่อยค่อ ย, อยสังเกตเราสังเกตบางวันน ะ, จะเจอพวกเคี่ยวเล็บยาวมีนะ การเขี่ยวกางเล็บมาโอ้เห็นแล้วน่าสงสาระมันไม่ใช่น่ากลัวนะมันน่าสงสาร้มาด้วยใจซื่อใสๆนะมาด้วยใจที่เปิดกว้างมาฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยสนใจที่จะดูมันเราถูกความหลงผิดความเข้าใจผิดผิ ด, ผดเราถูกทิฏฐิมาน้หลอกลวง เราคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับธรรมะคืออะไรที่อยู่ไกลๆ ล, ลึกลับอยู่ไกลๆธรรมะคืออะไรอีกอย่างหนึง่งซึ่งต้องเที่ยวสแสวงหาอีกเนิ่นนานกว่าจะเจอธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่คอร์สต้องไปเข้าคอร์สเลยงั้นลำบากยากเกินในการสแสวงหาธรรมะเพราะเราไปสแสวงหาธรรมะผิดที่ อย่าเที่ยวสแสวงหาธรรมะภายนอกนะให้สแสวงหาธรรมะภายในตัวของเราเองเรียนรู้อยู่ในกายเรียนรู้อยู่ในใจรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนี่คือการเรียนธรรมะกายของเราคือธรรมะนะเรียกว่ารู ป, ปรธรรมจิตใจของเราคือธรรมะเรียกว่านามรธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเราไม่ได้อยู่ที่อ่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทําได้แค่บอกทางให้ บอกทางให้พวกเราย้อนกลับมาดูกายดูใจของตัวเองเรีว่าโอปะนาอิโกบอกให้ย้อนกลับมาดูตัวเองมารู้อยู่ที่กายมารู้อยู่ที่ใจแลนะรู้ไปตามที่เขาเป็นรู้วันหนึ่งเราก็จะเข้าใจด้วยตัวของเราเองว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ได้อยู่ในกายในใจตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจก็ไม่มีตัวเราไม่มีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ตัวเราเป็นแค่ความคิดปลุมขึ้นชั่วขณะนั้นก็ความหลงผิดนี่ได้โสดาละก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไปถึงจุดหนึ่งมันก็แจ้งเลยกายนี้ทุกล้วนๆภาว น, นาต่อไปถึงจุดหนึ่งก็แจ้งจิตนี้ทุกล้วนๆจะแจ้งถึงจิตเป็นทุกข์ล้วนๆท่านี้แจ้งนิพพานแล้วนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตา ไม่ใช่นิพพานจะเห็นนิพพานต้องขาดสติดับวูบลงไปนะบางคนเข้าใจผิดภาวนาหมดดับจิตลงไปพอจิตดับลงไปแล้วบอกว่านิพพานนิพพานเป็นอารมณ์มันหนึ่งนะเป็นธรรมารมนะธรรมารมเป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นจิตดับไม่ได้ถ้าจิตดับแล้วก็ไม่รู้นิพพานเหมือนกันเลย นี่เราได้ฟังคำสอนที่คลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเยอะพวกเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดสะสมการปฏิบัติแบบผิดผิดการปฏิบัติผิดผิดก็คือการปฏิบัติแบบบังคับตัวเอง น, นั่นเองข่มตัวเองข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยพวกเรานะถ้าไม่หลงตามกิเลสหรือลืมเนื้อลืมตัวไปนะก็มาบังคับกายบังคับใจไว การเสลอไฟกับการมาบังคับตัวเองนี่เป็นความสุดต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามเผลอตามกิเลสไปใจลอยไปเลื่อนลอยไปจิตหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลื่อนลอยไปเรียกว่าตามสุขาริการุโยกเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารเรียกว่าอากุศลาที่สังขารความปรุงแต่งที่ไม่ใช่บุญความปรุงแต่งฝ่ายชั่วความปรุงแต่งที่ไม่ฉลาด หลงโลกออกไปภายนอกคิดว่าไปรู้โลกภายนอกแล้วจะมีความสุขอีกพวกหนึ่งบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากรู้สึกลําบากไหมที่ฝึกลําบากอันนั้นคืออัตตกิรมัฏฐานโยกการทําตนให้ลําบากมีอีกชื่อหนึ่งว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งายที่เป็นบุญเป็นบุญนะแต่เป็นบุญที่เป็นโลกียะจะพาเราไปสู่ภูมิโลก บางทีก็เรียกว่ากุศลาพิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นกุศลแต่รวมความแล้วก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่จะเป็นปุญญาพิสังขารหรืออาปุญญาพิสังขารหรือปรุงแต่งกระทั่งความว่างเนียอเนญชาพิสังขารทั้งหมดก็มีรากหง่าวนเดียวกันปรุงดีหรือปรุงชั่วก็มีรากกันเดียวกันนั่นคื อ, อวิชาความไม่รู้ความจริงในกายในใจนี้ เราไม่รู้ความจริงว่ากายกระใจไม่ใช่เรานะเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราคนโง่ก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วทํายังไงกายกระใจจะมีความสุขก็ต้องวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยเไปคิดเรื่องราวสนุกสนานแล้วจะมีความสุขนี่ยอาปุญญาที่สังขารเกิดจากความหลงผิดเหมือนกันคิดว่า หาอย่างนั้นแล้วจิตใจจะมีความสุขจิตใจคือตัวเราหรือเรารู้สึกว่าจิตใจเป็นเราเราเห็นว่าลาทางเที่ยวสแสวงหารมไปนอกเรื่อยๆไปเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงสู้บังคับกายบังคับใจให้เรียบร้อยสงบอยู่ภายในเรื่อยๆแล้วมีความสุขเนี่ยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมาอยู่ตรงนี้มาเพ่งกายเพ่งใจมากําหนดกายกําหนดใจให้จิตสงบอยู่กับกายกับใจถังว่าจะมีความสุขก็สุขชั่วเวลาที่กําหนดนั่นแหละ หมดแรงข่มแรงกดนะจิตใจจะฟุ้งกว่าเก่าอีกกิเลสจะแรงกว่าเก่าเหมือนพวกที่ติดสมาธิเนี่ยพอคลายสมาธิออกนะกิเลสจะรุนแรงกว่าคนปกติเช่นขี้โมโหรุนแรงพวกเราคนไหนเคยไปอยู่ตามวัดไปเข้าวัดเข้าคอร์สแล้วสบายใจแต่พอกลับมาบา้านแล้วโมโหแรงกว่าเก่าเนี่ยรู้ได้เลยนะตอนไปเข้าวัดเข้าคอร์สไปบังคับตัวเองนะไปเก็บกดมา การเก็บกดหรือการบังคับกายบังคับใจไม่ใช่ทางหรอกมันไม่ใช่ทางมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีนําไปให้ได้เป็นมนุษย์ทําได้เป็นเทวดานําให้เป็นพรหมได้แต่ไปนิพพานไม่ได้นิพพานไปได้ด้วยวิธีเดียวคือพ้นจากความปรุงแต่งถ้าพ้นจากความปรุงแต่งจิตหมดความปรุงแต่งได้ก็ต้องทําลายอาวิชชาได้อวิชชาคือความไม่เห็นความจริงของกายของใจเราะะฉนั้นหน้าที่เรารู้กายรู้ใจไป คนที่มาใหม่ๆที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อนะเดี๋ยวรับสองจะพูดให้ง่ายกว่านี้นะครอบนี้เขาคุยกับแม่ชีวส่ามาจากเชียงใหมย่ยากนะนักบวชลําบากไม่เหมือนโยมหรอกรวยนี่บินมาก็ได้หลวงพ่อเห็นใจนะคนยากคนจนเรีนธรรมะลำบากอย่างบางทีกว่าจะไปเรียนได้นะเก็บเงินหาค่ารถหาวันลาหาอะไรนะลําบาก คราวนี้เหลือสามนาทีูไม่ได้ตรวจกันบ้านแม่ชี้ยังไงเข้าใจไหมดดอดรวัวนะ ด, ดูดูได้วยใจซื่ อ, อหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงาั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นไม่ต้องดีก็ได้นะเช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันฟุ้งของมันเองจิตสงบรู้ว่าสงบก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันนะก็แค่เห็น จิตมันสงบเองแหละเราบังคับมันไม่ได้หรอกสงบก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกจิตทั้งดีจิตทั้งชั่วจิตทั้งสงบจิตทั้งฟุ้งซ่านจิตทั้งมีความสุขจิตทั้งมีความทุกข์ื่อแต่ชั่วคราวหมดเลยดูลงไปอย่างนี้แหละซื่อๆนะดูไปซื่อๆดูสบายๆอย่าไปข่มใจแม่ชยียังเหลือการข่มอยู่นิดหนึ่งดูออกใช่ไหมไกลๆตัวเนี้ยส่วนแม่ชีนี้ข่มน้อยกว่าแต่ฟุง้งเยอะกว่า ถ้าขมแรงมันก็ไม่ฟุง้งไม่ขมมันก็ฟุง้งนะนี่เราก็ไม่ได้มีหน้าที่ขมมันถ้าใจไปขมรู้ว่าขมใจมันฟุง้งรู้ว่าฟุง้งไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างงั้นอยากให้มันเป็นงี้ถ้ามันอยากให้เป็นยังไง ร, รู้ว่าอยากนะรู้ไปรู้ซื่อๆต้องไปซื่อๆทนเรียนหน่อยนะคนที่ไม่เคยฟังอดทนนิดนึงต้องฟังสองสามครั้งถึงจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลย ท่านถ้าเราฟังหลวงพ่อพูดไม่เข้าใจนะการภาวนาเราจะยืดเยื้อมากเลยจะต้องลองผิดลองถูกอีกนานเลยนี่หลวงพ่อเราผิดลองถูกมานานนะแล้วก็สรุปออกมาจนธรรมะเรียกว่ามันมันแจ่มแจ้งแล้วนะนะมันอยู่ในฝ่ามือแล้วฟังไปเรื่อยๆเข้าใจตามแล้วไม่เหนื่อยหรอกไี่นื่อยฝ่าลวงพ่อจะตื่นขึ้นมาครั้งแรกนะหลวงพ่อนั่งโดดจากสุรินยานกรุงเทพตื่นได้แวบเดียว แล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยอีกห้าวันนะนั่งดูทุกวันเลยตื่นออกมาอีกสองสามแว็บนะห้าวันก็นั่งดูไปอย่างเงี้ยโอ้ยกว่าจะเข้าใจนะพอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นมันเป็นก้อนอีกแนละ้วอะจะจัดการกับก้อนนี้ยังไงก้อนนี้คืออะไรก็ไม่รู้รูปลูกคําๆอยู่นั่นแหละเสียเวลาทั้งสามเดือนคือเลยลองผิดลองถูกมาแสนสาหัสนะนี่เอาสิ่งที่ลองผิดลองถูกแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างเปิดเผย ออทนทนฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างฟังไปแล้ววันหนึ่งก็รู้เรื่องจะรู้เรื่องนะจะรู้เลยรู้สึกไหมภาวนาไปทีแรกฟังหลวงพ่อก็งงใช่ไหมแล้วมันก็อ๋ออ๋ไปเป็นระยะใช่ไหมอ๋อนี่ไหนหลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วนีน่ก็เคยบอกนี่เคยบอกทุกวันเลยแต่ทําไมไม่รู้อะเรื่องเลยที่บอกทุกวันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งบอกโอ้ทําไมไม่รู้อ่ะทําไมมันโง่ป่านนั้น อแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวไปแม่ฉีเชิญไปก่อนเลยนะตักก่อนเขา